ขขอความเคารพจากคุณครูบาอาจารย์น้องปู่ที่รับรับไปแล้วทั้งน้องพ่อพูดรับรับไปเหมือนกันจะว่าครูบาอาจารย์ของเราอย่างนี้ก็ว่าไม่ถูกเด้วมันลืมลืมหมดว่าจะเอาถ้ถาอยากฟังนี้ก็ให้ฟัง นานๆจึงเก็บได้พูดพูดคำหนึ่งเพราะว่าถ้าถ้าพูดไปเร็วๆนี่ก็มันจำไม่ได้มันยังไม่คือเห็นเลยไม่ไม่เห็นคิดเห็นเลยมันเป็นมาอยู่แต่นานแล้วจักไม่เลิกจะทำยงไงดีแล้วก็การมาพื้ปฏิบัตินี่ก็จงหลงลืมๆเหมือนกันไม่มีเอ็นที่จะ เป็นหน้าฟังเลยเจ้าของถิ่นตัวเองก็คิดอายตัวเองแต่ว่าใจมันมักมันชอบเราก็เลยไม่อยากไปไหนอยากตายกับผ้าเหลืองเหนียวเลยอยากแต่หนีไปไหนก็มาเดียกไปเพราะว่ามานี่นี่มันได้รับความอบอุ่นใจไปไหนไปไหนก็สบ า, ายสบาย จนได้เป็นติดอยู่ที่นี่นะไม่ได้หนีไปไหนหรอกตายก็ว่าจะตายอยู่ที่นี่เมื่อวานนี้ให้อาจารย์พาไปดูไปดูที่ทำํำ ท, ที่เผาผีนะผี่คนตายนะนะแต่คุบจะพูดไปอะไรมันก็พูดไปไม่ถูกแบบถูกอะไรด้ําเขาหรอกเมื่ก็คนหลงอยู่เมื่อก็ห ล, ลงอยู่นั่นแหละ มันเป็นยังไงก็ให้ฟังเอาให้ให้ทุ่มหนึ่งกเหลือให้ไ่้จะจะให้ลงอะ่ะถ้าทำไม่ทาไม่ไปไม่ก็ได้ก็จำเป็นเนาะ ก, ก็ต้องลงนั่นแหละก็มาปฏิบัตินี่ก็โอ้สบายอกสบายใจที่มาศึกษาธรรมะ ของคุณกูบาอาจารย์ทางสอนแน่นี้รู้สึกว่าปลาพึ่ม อ, อกปลาพึ่งใจอยู่ในชีวิตกิจใจตัวเองนี่แหละเพราะว่าไปไหนก็ไม่เหมื่อเหมือนมาติอยู่ที่นี่นรู้สึกสบาย อ, อกสบายใจไม่มีความคิดไปออกทางอื่นไม่ก็ไม่ ไ, มไปมีวนเวียนไร่อยู่นี่แหละไปไหนก็ไม่อยากไปไปมานี่ก็เห็นกูบาอาจัน ที่พูดให้ฟังก็พออกพอใจนั่นแหละไม่อยากจะห น, นีไปไหนหรอกยกมือก็ยกมือไปก็ฟังไปเนี่ยเข้าใจเรื่องใดเรื่องใดนี่เนี่ยขอโว้หน้าฟังหน้าเพลื่อนอกเคลืนใจนี่พุทธศาสนาสอนเรื่องนี้เด้นะตั้งแต่ขอนนั่นแหละมันให้เราหลงเราลืมไปตั้งนานแล้ว มีแต่ความอยากได้อยากนั้นอยากได้อยา่อยางนี้อยากได้เป็นอย่างนั้นอยากได้เป็นอย่างนี้แต่เราก็มอมมารู้เราก็ไม่ไม่เอาอะไระฟังอยู่เฉยๆไปดูภูมิปุ่มใจแท้แท่บุญวัฒนาบารามีที่ได้มาร่วมพุทธศาสนาของคุณครูบาาจารย์ยงพ่อ ที่รวงรับไปแล้วทุกๆพระองค์ก็รู้ถึกว่าภูมิ อ, อกภูมิใจพาะดับซึ่งในกิจในใจเยอเกินเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยพยายามนี่แต่ของของดีหาหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วเนีย่ยไปดูฟังพระทางอื่นเทศอย่างนี้วัน ไม่เป็นเป็นหน้าฟังเหมือนพวกที่ครูบาอาจารย์เราเทศให้ฟังนะมีแต่ของกิ่งกิ่งอยู่ที่ผู้เทศฟังไม่รู้จักง่วงหลับง่วงนอนก็ไม่มีมีแต่ความเบิกบานใจหลับตาก็หลับตาแต่หลับตาในี่ใจมันไม่หลับก็ฟังเกือย่งนั้นแหละผู้คนที่ชื่อใกล้กันมาดู ก็มันมาตัดมัดมัดตื่นก็มาจับมามาจับมาอยู่นั่นเนี่ยกรู้จักอยู่แล้วว่าตั้งแต่ตหลวงพ่อเานอนหลวพ่อขอนอนไม่ได้เข า, านอนหรอกนั่งใจงบวบเบิกบานนี่แค่ <c oughs> นั่นเนี่ยก็ทำไปนี่นะเนี่ยให้พยายามพยายามทํำแล้วย่าเอาอะไร มาดูกีวิตจิตใจของเราเนี่แหละเราหลงมามาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนวัาใหญ่ได้อายุเ อ, อหลายได้ละจึงค่อยมาเห็น อ, อชีวิตใจิตใจตัวเองตั้งแต่ก่อนไม่รู้จักมาดูตัวเองเลยคือว่าดูกายมาดูใจตัวเองก็ก็ดูก็ดูตั้งแต่ ตั้งแต่ก่อนหนะ้ดูตั้งแต่เราเป็นทนอยู่นี่แหละเดินไปไหนมาไหนก็เห็นอยู่แต่ว่าไม่รู้จักรูปไม่รู้จักนามไม่รู้จกักชีวิตจิตใจตัวเองอยางพูดก็พูดอยากทำอะไรก็ทำไปตามเรื่องตามราวไปไม่รู้จักอันผิดอันถูกเท่าที่ควรพอมาเพื่ปฏิบัติแล้วโอ้หน้าหน้าอยากดูหน้าอยากชมอยู่แต่ว่าที่เห็มในความตีมาก่อนๆ น, นั้นนะคิดละอาย ว่าหลวงหงมานานแล้วหลวงตัวเองอ่ะพอมาเข้าใจแล้วจะค่อยรู้จักโอ้ธรรมะนี่ไม่ได้สอนเรื่องอื่นสอนเรื่องมีแต่สอนเรื่องตัวเองทั้งนั้นแหละถ้าออกไปทางนอกเราก็รู้จักเนี่ยโอ้อันนี้นั่งมันไม่ใช่เราก็รู้จั ก, อ, อ, นน ก, จกอันนี้ถูกต้องรู้จักเพิดเพลินเรื่องนั้นอาจารย์คนนั้นเทนให้เทศให้ฟังก็มีแต่อันองค์พูดเพื ไม่ น, น, น, น่าอยากฟังนีเดี๋ยวเกินคนไหนพูดเตียทีตั้งแต่โอ้ไม่อยากให้รอยากให้ลงแล้วอยากให้เทศไปให้ฟังเึงอนั่นนะภูมิภูมิมใจแท้ๆ เ, เพราะฉะนั้นให้เราพยายามน่าเคารพน่าบูชาครูบาอาจารย์ที่ได้มาสั่งสอนให้เรารู้จักทางที่เดินของพุทธศาสนาของเราเนี่ย อย่างที่ภูมิอกภูมิใจน่าดื่นชื่นชมเหลือเกินอ่ให้เพราะฉะนั้นให้เราพยายามให้มาดูนะนะตั้งแต่ก่อนไม่เคย้มาดูตัวเองหรอกมีตั้งแต่ฟังฟังแล้วก็เอาเรื่องนั้นมาคิดเอาเรื่องนี่มาคิดคนนั่นดีคนนี้เส่ยก็ว่าไปพอมาเนี่พอองค์ไหนองค์ไหนบอกพูดมนให้ฟังก็ จับออกจับใจไม่อยากเดี๋ยวให้หนีไปไหนแล้วให้อยู่นี่แหละว่าอาจารย์องค์ไหนที่ออกจาก บ, บ้านจากอะไรไปนานๆวันนี้ก็คิดถึงบางคนก็อุ่มีความภาคภูมิใจเ น, นี่ยนันไม่ไม่ไม่เห็นก็ยิงถึงถงืถามหาคนนั้นอยู่ไหมคนนี้ไปไหนถามหาครูบาอาจารย์ ใช่คนในมานแล้วก็โอ้พระภาคภูมิใจท่านก็ไปหาโบสที่ต่างจังหวัดนี่ก็ไปจนนั่นแหละดีไม่ว่าัแต่คนประเทศไทยไม่ว่าแต่เราพวกเราเนี่ยคนอื่นเขาฟังเขาก็จับอกจับใจก็เหมือนกันกันกบ ท, ที่เราดูอยู่นี่เน<อ>ี่ยมาว่าตั้งแต่คนพระอยู่มาแต่ท่านแต่นี้ ไม่เหมือน ates, พระอยู่ที่กระบะเราเราเลยเนี่ยน่ยมันไม่ไม่น่าฟังไม่น่านน่าอยากน่าแี้เต็มความว่าเหงาเศ้าซึมอยู่อยู่มันมันเป็นอยู่งั้นพูดพากันพากคุยกันนะพวกพระพวกอะน่ะเวลาลงทุนที่ให้ลงไปเนี่ยมีแต่บัญหาอยู่มันน่าดูน่ฟังนั่นแหะมันเป็นอยู่เนี่ยถ้าคนของดีแล้วไป ไปที่ไหนมันก็อยากฟังถ้าของไม่ถูกต้องเราก็ไม่อยากฟังมันมั น, ม, นมันเกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของเราเองนะเพราะฉะนั้นให้พยายามการประพปฏิบัติเนี่ตั้งแต่ก่อนก็ไม่เคยได้ดูพอมาดูแล้วก็ไม่ได้ออกไปที่ไหนหรอกเพราะว่ามันของที่ดีอยู่กับเรา เนี่ยพูดไปจะทำไปก็เบิกบานในชีวิตในจิตในใจเนี่ยว่าจะไม่ได้ฟังอีกก็ฟังคนนั้นบางคนเนี๋ยเพ้อเพลินไปนะัพยายามไปตั้งแต่ก่อนเราหลงคนหลงทางมาตั้งแต่นานแล้ว พอวันนี้เ่าเรรู้จักว่ามันผิดมันถูกอะไรก็รู้จักทางจะไปเดินแต่ก่อนี้โวยเอาแต่ทางหาแต่ทางคนะคนอยาพูดอะไรนี่ก็สอนสอนก็สอนตั้งแต่เรื่องเรื่องที่ไม่อยากฟังเลยมีแต่คนมาอิตอาพยาบาทเสียดสีกันอยู่เรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างไม่ค่อย เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้มาเนี่ยเดี๋ยวนี้มานี่ยรู้สึกว่าสงอบอกสงบใจดีอะไรพูดขึ้นมาก็ามีแต่คนดีๆที่พูดถูกต้องตามพระตามปิเนียเป็นหนาอยู่ด้วยกันเห็นใครก็เหมือนพี่เหมือนนอ้องเหมือนเป็นสมว่าเป็นยุ่ในพุทธศาตาาเดียวกัน เนี่ยมาทำแจ๊บทำมจะพูดอะไรก็ก็มันจะผิดแต่ภาะจะผิ ด, อ, อ, กผ ด, กผด อ, อกผิดใจคนนั้นผิดอกผิดใจคนนี้ก็จะพูดอะไรก็ไม่ว่าแต่คนอื่นเราก็เหมือนกันคนอื่นก็เหมือนกันพูดก็ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเนี่ยคนตั้งร้อยตั้งสองร้อยสามร้อยก็ตามมีแต่คนพูดออกมาคนนั้นเนี่ยมามาประพฤติปฏิบัติเนี่ย ด้วยจากภาษากันเนี่ยคนไหนไหนมาพูดมาท ร, ร ม, มาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะเนี่ยมีแต่คนพูดดีๆอยู่ในทธในธรรมคนมาได้หลายคนเนี่ยหน้าที่จะได้ยินเสียงพูดกันพูดอะไรกันเนี่ ย, ยมันมันค่อยมีต่างคนต่างตั้งใจฟังของใครของมันทาเอา นั่นแหะถูกเนีหาคนจะพูดคนหนึ่งคนหนึ่งนี่ก็อยากเห็นแต่คนเดินอยู่ตลอดวันเลยเนดูตื่นว่าภาคภูมิอกภาคภูมิใจตั้งแต่ทำปฏิบัตินี้ก็พอใจพอแล้วบกดูว่าครูบาอาจารย์ท่านเดินดูนี่ก็วันนี้ดีเนะาะพวกเราอ่ะนี่ลูกน้องพวกเราเดินดูจากภาษาไม่ พูดไม่จะมีแต่ตั้งอกตั้งใจตั้งปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่ท่านบัญญัติไว้ให้เรามาทำเรื่องว่าถือต้องเนี่ยไปคนอื่นมาเห็นมาแต่ทางอื่นทางไกลนะพอมานี่แวะเข้ามาหาหลวงพ่อเนี่ยคนเขาเดิอนอะไรก็มาถามเนี่ยปฏิบัติธรรมะ เอ้ไปไปอื่นพลังอื่นน่ไม่เหมือนเหมือนนี่เนาะนี่มีตั้งแต่คนทามีแต่คนเดินมีแต่คนดีๆพูดก็ไม่พูดมีแต่คนทาสร้างังหว่าเดินจงกมตาหน้าดูหน้านั่นแหละมากำลอาพออกพอใจด้วยไอ้คนอื่นเขาพวกที่มาดูก็สสียีจสะออนภุมอกผุมใจ โอ้พุทธ ต, ตาตนาเนี่ยสอนเลี้ยงเนี่ยว่า พ, พูดอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีความคิดได้มีแต่ความบิดอีดีนั่นแหละมาดูตัวเองใครพูดขึ้นมาก็ต่างคนต่างดูตัวเองนะ พ, พูดผิดพูดถูกอะไรเนี่ยเราก็อโหส่ให้กันไม่ค่อยจะไปดูถูกดิทากันเนี่ย มันมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็นั่นแหะถ้าเราไปที่ไหนที่ไหนก็ให้ทําอย่างนี้เนี่ยนั้นรู้จักชีวิตจิตใจของตัวเองจะไปพูดไปจาให้ใครทั้งนี้ก็เกิดกลัวจะผิดใจคนนั้นัวผิดใจคนนี้ก็เลยพาตั้งอกตั้งใจโดเดินนะสร้างจังว่าหาทางที่จะเดินออกติบทางอีกต่อไปก็เพลิดเพลินไปต่างคนต่าง เดีกเกิ <c oughs> ดเรียกว่าจะเจินเดินไปพูดไปยังไงหรอกมหอดพูดไปอย่างทงางภาษาเนีเนี่ยเพราะฉะนั้น <carbon ate> พวกเราเนี่ยให้พากันเดินตั้งอกตั้งใจทําให้ดูตัวเองวันยังคำคนคนใหม่ๆเนีออย่าเอาใจออกนอก ให้อยู่กับตัวเรานี่แหละเดินไปกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยมีสิบสี่จังหวะให้กายกับใจเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันให้มันถูกต้องกันอย่าให้มันอสงสัยเรื่องนั้นงสงสัยเรื่องนี้อันนั้นมันจะไปอยู่กับความคิดอย่าไปให้มาอยู่กับตัวเคลื่อนไหวเนี่ยกายเคลื่อนไหวแต่ก่อนเดาหลงตัวเพราะอะไรเพราะหล ง, ต, ล ง, ต, ลงตัวนั่นนะไม่เห็นกายกับใจ กายกับใจของรเราเราหลงมาตั้งเราหลงมาตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาอถ้าเราไม่มาพบกับครูบาอาจารย์หนึ่งเนี้ยเราจะหลงตัวไปจนเท่าตายเกิดมาเป็นคนนี่ก็ไม่รู้จักตัวเองแล้วก็มาทั้งทําแต่โทษตัวเองเอทางกายทางวาจาทางใจไม่ได้เข้ามาดูตัวเองเลยมีตั้งแต่ไปอหาเรื่องนั่นมาพูดหาเรื่องนี้มาพูด ไปตามตามคนไม่ไม่เคยเห็นน่แหละไม่เห็นตัวเองอ่นะเพราะฉะนั้นให้เราพยายามมาดูในปัจจุบันขณะขณะที่เราจะมาทำเนี่ยจะเดินจะเดิ น, จ ะ, ดนจะนั่งจะนอนให้เราให้ดูให้ดีจะเดินก็ให้รู้จักจะนั่งก็ให้รู้จกให้รู้จักจะนอนก็ให้รู้จักจะไปชั้นอะไร ฉันกินข้าวอาบน้ําตรงไปเที <g ül> ่ยวหรือไปอะไรเนี่ยให้เราอยู่กับตัวรู้สึกเนี่ยกายเคลื่อนไหวแบบใดก็รู้จักรู้จักตั้งแต่ก่อนเนี่ยกรับมันไปหาตั้งแต่เรื่องจะมามา ว, ว่ากันมามาคิดว่าด่าว่านั่นแหละมันเป็นอันคนนั่นผิดคนนี้ถูกไปดูคนนั่นไปดูคนนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็ต่างคนต่างรู้ตัวเองนั่นแหละใจใจของเรา มันไปในเนี่ยมันก็ไปคิดเราก็เห็นเห็นแล้วเรื่องแต่ก่อนมันก็มันไม่ไม่ได้ดูมันก็ไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกบัดเรามาเห็นแล้วนะโอ้อันนี้มันก็ผิดอันนี้มันก็ถูกอ่าอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้ไม่รู้จักเลยบัดมาเข้าใจแล้วโอ้เราเนี่ยเกิดมาการกระทบของเรานะี่ยมีกายมีวาจามีกายมีมีใจอันเนี่ยมันต้องมาดูของตัวเอง มาดูแล้วอันใดมันออกทางทางออกทางนี้ก็เรากลั่จักเออมันทางถูกเรากลั่นจักทางผิดมันก็รู้จกัก อ, อ่าที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอันเป็นบาปเป็นบุญ ม, มีโทษมีพลอยมันมาให้ทําให้เรานี้ยแหละ อ, อ่ไปทางที่ไม่ดีแล้วก็เพลิดเพลินไปกับมัน อ, อ่ไม่ไม่ไม่ไม่มาดู พอมันมาเห็นแล้วก็มันติ่งได้ดีติงได้ผิดติ่งติ่งได้ถูกเนี่ยเรารู้จกักตูวจักโอ้โอนี้ก็เรามาดูชีวิต จ, จิตใจมันคิดไปมันก็ไม่เดือนมันไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ดูตัวเองเนี่ยมันไปดูแต่คนอื่นคนนั้นเป็นอย่าง น, น, นั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มันก็ไปอิจฉาเขาแล้วก็ไปพูดสิ่งที่ไม่ดีให้เขาก็มีเนี่ยบางทีก็ ฝันตั้งแต่ฝันมันก็ยังไปคิดอิจฉาเลยนี่ฝันว่าไปรักคนนั้นไปรักคนนี้ไปลังแกคนนั้นไปลังแกคนนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนคืนก็เห็นฝันแล้วก็อยากให้มันฝันต่ออีกแล้วก็เห็นคนิดพูนคนชักคนรักแล้วก็อยากจะไม่ให้หนีอยากไปไหนมาไหนอยากให้อยู่ด้วยกันอยากให นั่นแหละก็เพ้อเพลินไปด้วยกันกัแบบความที่นั่นแหละบางทีก็ไปตีไปตีกันไปเขืนฆ่าหรือไปอิจฉาพยาบาทกันนี่แล้วก็อยากจะให้เขาคิดพายอยากให้เขาต้มเขาตายแล้วก็ไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยเออกิจใจของเรานี่มันนอนฝันนี่มันก็เศร้าหมองเหมือนกันมันไ ม, ดมนไ่ดีมันไปอิจมันไปอิจฉาคนอื่นคนนั้น่ให้เขา เขาไม่รู record, ้จักว่าเรากังเกียจเขาดอกแต่ว่าเราเนี่ยจิตใจเนี่ยมันมันไม่ดีมันเน่ามันเหม็นมันช่นมันไม่ดีมันไปทางที่ไม่ดีอย่างเนี้ยอันนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะมันเรามันฝันเท่านั้นนะส่วนในชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมันไปอิจฉาพยาบาทเขาอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้ต่อจากนั้นก็ไปอีกเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปไปเรื่อยๆไป ปันหาตั้งแต่สิ่งที่จะเอาบาปเอาบุญอันบุญน้อยมันมีม่มน้อยแหละบุญนะอันหลายเนี่ยคือความทุกข์ของเราเนี่ยเกิดมานี่ก็เกิดมาสร้างความทุกข์เราลุลงพ่อเกิดมาเนี่ยพอมาต้องมาเห็นชีวิตจิตใจของเราเองเน่ะโอ้เราเนี่ยเกิดมานี่นานแล้วเกิดมา ท, าาทําลายตัวเองเนี่ย ยังไม่นั่นเลยเราเี่เท่ากับว่าเกิดมาเนี่ยมาทาั้งสร้างความช่วยให้ตัวเองมันเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจ ะ, ะไปด่าไปว่าเขาเไปอิจฉาพระพยาบาทให้เขาต่อนหน้าต่อตาเนี่ยอันนั้นก็ก็อันหนึง่งอันแต่ส่วนที่ไปฝันไปคิดถิ่นเขาเขาเนี่ยก็ ไปผูกไปพันเขาไปว่าเขายัางนั้นอยู่นี่ยอยู่ในใจตัวเองไงไปเห็นอยู่เด็ก็อิจฉาอิาเามันนั่นแหละเราไม่ไม่นั่นน่ะอกเกิดมานี่ก็อยากได้ดีอยากได้ดีทุกคนนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้จักความดีความดีไม่รู้จักก็ไปสร้างอยู่นั้นแหละมาสร้างแล้วพอเรามาเข้าใจเข้าใจเด็กก็อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยกรรมดีเพิ่งก็มีกรรมชั่วไม่ก็มี มาสร้างครรมสร้งเวทให้ตัวเองแล้วก็มันกิดอยูจะเป็นอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักเรื่องนี้เราก็โดยก็เราไม่เห็นใจของเราพอเรามาเห็นความคิดเนี่ยโอ้อันนี้มันดีอันนี้มันมันชัว่วเราก็จะเห็นเห็นหมดเลยเห็นแล้วเราก็ระ ว, วางพอมันคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็เรียกว่าเกิดมาเนี่ยเราเห็นอันบุญนั้นเราก็รู้จักอันบาปเราก็รู้จัก ไปอิจฉาคนอื่นไปอิจฉาตัวเองก็มีออเรื่องนั้นมาคิดเรื่องนี้มาคิดมันมาสร้างกัตัวเอง oh, โอ้เรานี่เกิดมาเนี่ยเกิดมาเนี่ยมาสร้างบาปทรัพยกรรมให้มาตัวเองเนี่ยตั้งแต่วันเกิดมาจนวันตายถ้าเร า, มาไม่มาไม่มาม า, มาเห็นเรื่องนี้อเราก็มันมันมันก็มาสร้างบาปให้ตัวเองไม่มีคนจะมาสร้างให้เราหรอก เราเกิดมาในชาติเนี่ยเราสร้างตัวเองเราทำโทษตัวเองให้เราพยายามให้มาดูเพราะเราเห็นเนี่ยพอเห็นภาพเหงความคิดอ่ะเห็นความคิดนี่ตั้งแต่ก่อนนี่มันเพลอดเพลินไปกับผอนะไม่อยากม่อยากหยุดบัดมาเห็นเรื่องมันโทษมันมีโทษมีผอยที่เราทำบาปตัวเองเนี่ยเราก็หยุดไม่ไม่เคยอิจฉา ไม่อยากพยาบาทกับใครเลยเนี่ยเราก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นโอ้เรานี่เกิดมานี่มาตั้งพบมาตั้งฆ่าเนี่ยคือเราไม่เห็นตัวนี้ไม่เห็นชีวิตจิตใจของเราเนี่ยอยากไปว่ า, วาคนนั้นอยากไปว่าคนนี้นะแล้วมันมันสร้างตัวเองนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่จะไม่ได้เนี่ยเพราะว่าใจของเรานะีมันเป็นเองมันเป็นอยู่นั่น เราเอาไปมาแล้วก็ได้เห็นความเคยชินมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเกิดขึ้นมานี่เราก็เห็นเห็นแล้วเราก็า น, นั่นแหละเห็นพิษเห็นภัยทั้งสิงที่มันเกิดมาที่เราทํามาทําโทษตัวเองเนะี่ยเราก็พยายามมามาดูตัวเองมันจะคิดขึ้นมานเนี่ยเราไม่ต้องไปเปลนกับมันมันโกรธขึ้นมาให้คน น, นั่นนี่ไม่มีประโยชน์เลยมีแต่สร้างกรรมให้ตัวเองเท่านั้นเนี่ยนั่นแหละเราต้องทําเองหมด เราเกิดมาอะไรก็ทำทางทำเองทำชั่วก็ทำเองทำดีก็ก็ทำเองเพราะฉะนั้นใหห้เท่าไะตีมันคือยังว่าคุกขังแค่เี้มัน เ, เนะบืลอตีอ่าอฟังฟังอีกบ่ที่บ่ห อ, อีกอ่ะ อันนันะมันบาปพวกนี้คนคนเราเน่ะไม่มีใครมาทําทําให้เราดอกความดีไม่มีคนทําให้ความชั่วก็ไม่มีคนทําให้เป็นอะไรนะั่นนะเป็นความขี้หงขีบผายอะไรก็ตามเราทําเองทั้งหมดเลยเนี่ยอย่างทำอ น, นาคตสวรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่ลแต่ละริงนนที่มันจะเป็นไปข้างหน้าเนี่ยไม่มีใครจะมาทําให้เราเลย ตลอดทั้งความทุกข์ความจนความห้างมีมีสีสุขเนี่ยเนี่ยเจ้าทําเองทั้งนั้นเนี่ยถ้าคนทําไม่ถูกนี่ก็มันมีเอาแต่ทําโทษให้ตัวเองทําความเดือดร้อนในตัวเองมันทําแล้วก็มันจะไปไหนเราถ้าตายไปก็อันติ่งที่มันพาเราไปต่อไปอีกนะั่นคือความอจิตของเราตัวนี้แหละมันไม่เห็นตัวเองพอมาเห็นแล้วเนี่ยมันก็หัวจากโทษโดยจากภายัย ไม่อยากทําอันติ่งที่ไม่ดีอบัดเตามาเห็นแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ๊ยเราเนี่ยมันมันอยู่กับบาปมานี่ตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนถึงวันที่เรามาเห็นนี่แหละเห็นตัวตรเองเห็นมันคิดเห็นมันไปอิจฉาคนนั้นคนนี้เนี่ยมันเป็นของเราเองนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้เราไนดะ้อยากดีนะก็ต้องทําให้ความดีในในนี้เดี๋ยวนี้ เนีย่ยากทำควบชั่วนะครับมีแต่แบบควบชั่วเนี่ยถ้าคนคนทำควบชั่วเนี่ยมันชั่วตั้งแต่ค น, นยจะรัเกียบแล้วตั้งแต่นี้แหละตั้งแต่เรายังไม่ยังไม่ตายเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเราสร้างขึ้นมาไว้แล้วมันก็เนีนั่นแหละเราก็อย่าไปทำเราทำเองนะไม่มีใครจะมาทำให้เราดอกเราทำเองทำชั่วก็เราทำเองทำดีเราก็ทำทำเอาเองอยังได้ดีก็ต้องทำดียากได้ชั่วมันก็ทำชั่ว เพราะฉะนั้นให้เราพยายามมาแก้ตัวเองมาดูตัวเองนะครับ mm hmm. วันี้ก็ข อ, อยุติเดี่วเพียงแล้ว น, นี่ยขอให้พวกท่านทุกคนเนี่ยจงตั้งอกตั้งใจให้รู้ตัวเองอย่าไปตามใจตัวเองทุกคนต่างคนต่างให้มีตินีธรรมอย่าให้สบายสบาย อย่าไปทุกข์กับมันเด้ออย่าไปทำความดีให้ต่างคนต่างให้รู้จักรู้จักบาปแต่กูบุญรู้จักทุนคุณคูน้จักโทษอา่าตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงให้แต่พบเห็นแต่ของดีๆของเท่าจะมาใกล้ไกลเด้อเอาอาละสาธุ